uma ก่อนเร่งเพืียงเข่าในเรื่องในทานธรรำวังสินัมเอาข้ามก่อนมาวากันเฮมั่นแจงทํานองเสียงทํานองแหลแปรขําที่มาสี่ปองมาเทศโปรดญาติพี่น้องศรัท ธ, ธาท่านให้รับฟังสามมาจังยู่เขคศายเอาใจใสยย่ยางสมปองท่านสัมมาเน้นตนนาอ่อยเสียงท้องมาอ่อยก่อนเลี้ยงบรนท่านสัมมเน้นทนาก่อนเสียงสวรรค์สัมบัญย่่าย่่ามอันลาําคาส่วนอาตมา มีปัญญาโบเกกามาเสริมสอนประยุกต์นำแทกพระถ้ำน้ำบทเยีย่ยมเตรียมมาโปรดพวกทานคณะสามมณ น, นเสียงทองม่อระดกเสียงท้ำท่านผ้า พ, พวกทานเร่งจีแถลงเรื่องเรื่องนิทานก็มีนะกาละบตดนี้ก่อนสิได้ทดเทศแหล่เสียงอีสานเป็นธรรมาบันเทิงอาตามาภาพทั้งสามโก กาศิได้โยโย่โยอนตำแหน่งแห้ซึ่งกันและกันว่าส ม, มเณีนรูปใดสิได้รับตำแหน่งเป็นหน้าทีใดเป็นตำแหน่งใดพระมาตเบื้องสายมือของอัตมาภา่าหนาเพื่อนเบิ้นหนียวม่นียยเพิ่นม่น้มว่าสมณีนเกลึกชยัยพลังกระโทตกเพิ่นสัมหนักพักทิ้งอยู่วัดสีนวลอัมเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นด้อเหนียวเหนีจำเอาซา นี่แหะนักเทศผูนหน่อยเสียงหวานหวนเพื่อนว่าส่วนธรรมาตต่อไปธรรมาต์บังขวาเมืองของอาตมาภา ม, าามเพื่นมีน้ำบาสามมะเรนธนากรมโนบุตรเพื่อนสำนักผักทิ้นอยู่วัดศรีคุนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องท้ายด้วยไม่ใหญ่นีฟังขวาเมืองของอาตมาพามจ้ำาอัสส่าสา่วนอาตมาพามา ภูมิปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงพงปัญญาไวมีหน้าว่าสมณะเณรวุฒิชัยเสียงทองดือ้อมาเทศเมือนีจากจีรบตําแหน่งใดละ่ะแกศิหายสมนเน้นทนากรมโนบุตรฟังสายฟังความเมืองอาอตมาภาพให้พนโยกโยนโอ์ตําแหน่งให้ซึ่งกันและกันผู้เทศกเทศง่ายผู้ฟังกาฟังอย่างสบายนอกวันไงไม่ไงเนาะ ชันภูบันละ ย, าย่าเลืองขอสศ่ำโก่ ง, กงนาทีต่อไปนี่ขออลาถนานิมนต์สมมา น, นทนากรมโนบุตรสืบต่อไปนิมนต์ขานอนเอาเมใหญ่ยมพอยมยมเมย์ภูมาฟังถทตฟังธรรมในมือหนีกระไดอัตมาผ่าเกษตรน้ำนิท่านนิท่านถ้ำบันเทิง น, ทนอองิท่านหยดยิงท้ำหมามาแสดงสุญญาตยมพอยมยมแมย์สุภูสุพ ล, ลับฟัง ในนิท่านเมนีเสด็จํานิท่านเรืองบุพภกรรมของพระโมกขลานะักนิท่านเรื่องนี้มีตัวละครสมบทสมคนแต่ละคนเได้โยกโยนอนตําแหน่งให้ซึ่งกันและกันผู้ใดเสด็รับตําแหน่งใดผู้ใดสิเป็นนาที่ใดผู้ใดสิ็จเป็นนั่งเอกผู้ใดสิเป็นพระเอกผู้ใดสิเป็นโต่งงงจังสันหลยมพอยมยมเมท่าแม่นบ่บอกจังสี่ก็บอกหูว่าผู้ใดนอเป็นพระเอก ผู้ใดนอนเป็นนั่งเอกภันสีสูงใสยอยู่เพื่อเป็นการสะดวกแกโยมภูฟัง่งและการสะดวกแกโยมภูอัญเชพาภู้เทศอัตมาภาพสิสมมุติสมัญญาสันทานุมาธให้สามาเน้นุตริชัยเสียงทองให้ล่ารับนาทีเป็นแม่เป็นแม่กระบอกเป็นแม่ซื่อเป็นทึ่งแม่ใหม่ตากระบอดนําได้ใหญ่เบ่งเอาเด้อนี่ละแม่ตาบอดผู้ใดตาบอดกระเบิ่งเอากันผู้ใดเป็นแม่ใหม่กระเบิงเอาเล่า เซลเล่าเป็นแมตาบอร์ดละท่ามัดทั้งผุนน้ำนมเมอเดอร์ภูธมภาษีสมบหน้าเขาเพิ่นเปินเป่นคือดอกใบเมืองเลื่อยพุหลับเมย์เซเพิ่นราบนาที่เป็นหญิงสาวซื้อว่ากันนิกากันนิกาแปลว่าดอกไม้หอมเมื่อนี้ดอกไม้สีหอมหรือสีเหม็นกระตาฟังเบิ่งเอาด้วยเมอเดอร์ผู้ใดเป็นลูกไพ่ข้นนางยูนีกะซอยเสียทั้งกันนิกาคุณระเดอร์ส่วนอัตมาภาพนี่ เสียงมอยยัยใจบอยแาวนำบักข้าวห่ า, าเมื่อเซก่าเจ้าสิเดกินบบุูอัตมาภาพสีขอรับตำแหน่งแสดงนาทีเป็นลูกใส้ของย่าิตาบอดมิน้าว่ามานหเพื่อเป็นการบอร่อเสียเวลัมเวลาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสับรับฟังได้นโอกาสบัดนี้น ศสนาในวันนี้บุญฉันมจังได้มาเห็นนาบุญพลาพามันจังเด้จวบอยและเจ้าจังมาพ่อว่าหวม ผู้พระเทศนากรเบอาวนขันน้ำย่างขันเรียกงานออการบานยุดจิตการขันเสาวุลมาทำบุญบ่บาบุนตั้งจิตใจให้เป็นบุญขอสรสดับขันรับเรื่องถ้าทำขอเทศนา มีจิตใจขันแก้กายเกินข้าอานิสงเกินจิตจำนงพระสงฆ์บุญมนเกิดทุนนนุช่วยอุทิศเถึงทั่วที่มรณะมวยสมใจเจ้าถูกทานมาโนมาน่าานิทานดวงวิญญาณ เฮลับหัเฮบุญยวนสรงสนองเนอเออผู้ใตาไปให้ได้ไปเกิดหองเนอสวรรค์ลกขันเมืองแม่นถึงสุกรข้าว่าดีแดนขันเทพบัยน้าทุงเถืองน้นั่งอยู่ถึงสวรรค์ฟานเทวดานั้นหุ่มแหนสมหัวใจเดินโย สมหัวใจเดินโยมแง่ขนาดญาติคันพี่น้องในบ้านเอซินนะเซินมานูคันตีของ ตุลุีผู้เป็นมารดาของนายมานพเมื่อประสบชะตากรรมตาเมืดมองไม่เห็นก็สู้ทนรอวันตายมีลูกชายเป็นที่พึ่งเอกะทิวาสังคันอยู่มานะวันหนึ่งก่อนจะเข้านอนจึงสั่งสอนลูกชายของตนออกไปว่าแม่นมนพบตัวแสนน่าจะบเห็นหนาเห็นตามาหาเนียงเอื่นเบิ่งมานพกันนะมานพบเ อ, อ้ย ล, ลูกหลามานพ ยุดสายหลลูกข้ามออกมาหาแม่นาลูกล่าแม่ซินนีแนวสอนจะหลูกข้ามบัณฑิตอัตมาภาพจะได้ดําเนินหน้าที่ของนายมานพหนุ่มสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าบา้าเด็กตื่นยังขึ้นเดี๋ยวเป็นอย่างอีเมก็มาเอินมาห้องอย่างน้อมาอย่างน้อเมอื่นเปิดมาอย่างน้อเม่แั่กาท่ำมาดาหลลูกล่าก่อนสี่เขานอนพทรเมกกระต่องบอกลังสั่งสอนหลูกส่วนตัวข้าม สี่บอดลังสังส่วนอีอย่างก็บ้ามาสละเมีเอ้ยลูกหลาว่าจังใดมานโนเอ้ยเมีนี่ตาบอดเบื่องบดเห็นหงทางใดให้เจอาเพียนมันดาไปอย่าปล่อยว่างให้นิห่างท่านจะว่างมันดาถิ่นอันความตายกะไก่โมหลกงคำเอ้ยท่านพอเจบบอดเมียนก็ใข่บางให้ซอยโดยลูกหล่อยา่าถิ่นอย่าปะแม่ด้วลูกคำเอาเมเอ้ยอันเ้าเยเดียวนี่นะ เจ้ายันควายทิมควอยปลาเจ้าสันติเมยประจังสั่งตัวเม่ก็ย่างลูกทิมลูกปลาแม่์นี่เฮงตาบอดด้เมย์เอ้ยสั่งไปขืดจังสันเทเมอยากได้ยังไควกะหามาให่อยากกินยังไควกะหามาสู่เมื่อนี่เป็นยังเจ้าสร้างคึดตางเก่าตางหลังเทแมเอ้ยคว่ำในอกในใจเจ้าเป็นยังคือคืดจังสันแมย์เมย์กระเถ่าเกาลียวแมย์ขืดจังสีและ ล, ลูกหลังเห็นลูกในเป็นบ่าวเป็นสาวแล้ยวแม่์นี่ว่าว เจ้าเนี่ยไปหาเมียมาสอนบอนสรุปคำอยากให้ผมหาเมียมาสอนบอลมาสัน่นพอจังสั่นละลกลาโอ้ยคนจ น, จนๆคือจังเข้านี่เมนผู้ใด ส, สิอยากสอนอยากความเข้าแมีเอ้ยเอากับไปหาเบื้องหาบุญทรงอยู่ได้ลูกลามมันก็สีเมีนยนยู่หันละเมยทาเป็นบุญทรงอยู่ขีดเบื้องในเป็นหยัง่งเจ้ากับป็นแม่ใหม่แถ็มสัาตาบอดอีพ่อกรแหงไต้ไปไล่ฝ่าลาปีแลว้วเงื้นอั น, อน หน้าเข้านั่นกระแหงมีแต่ไฮนหน่อยหน้ากับอไหลเง้ยส้นบันซองกับพ่อแต่ลับแต่นอนซือม่นผู้สาวทั้งใดพันสิมาแมทลาเมจจะก็คือเบิงเนตีจังใดลูกหลาบ้านห้องกับเก่าเกที่อยู่ที่นอกกับบดีนลูกหลานนกระจังสั่นตัวเมเจ้าล่องไปหาเบิงเบิงหาเธอมีท้เม่นไปทัาเม่นมีกับสีดายยูหันลาวาเม อันเดีวจะเอื่อญไข่มานั่นแม่นจะบอกว่าไข่ไปหาเมียซื่อๆนี่ตีมจังสันาเมตายไปแล้วเพาะเดาเบิงพม่ถมเพาะดีว่าเบิงสมบัติมุ่นมังหาสัตลกล่าแม่นบอกเมเอ้ยแม่มนจะมีเรื่องมีเล้าอย่างสิบอกข่อบอลละเมยมีเรื่องบอก อ, อีกบเ ม, มก็ไม่อยูุ่ลละฟังเดิเมสบอกสูฟังเอาบอกมาเบิงดูเมย์ดเมตามใ ข้าวในเรื่องผ้าเดียงสานะละนำนี่ทานข้าวหลังอดตตการนำมาอานละวางเป็นขงบทซอยผ้ายาต่อยสีแต้มแตงเงือกนมบ่เมนเรื่องการแสดงหรือแตงเอาขั้นคิดคืนเนอหากเป็นเรื่องต่างแตงนะ หากบ่เป็นเรื่องพื้นบ้านหากเป็นเรื่องท ร, รมาบ่นเป็นคำสอนต่ถ้าคูดภาคันละนาวบนะฉันสิมาแสดงให้นท่านไท่ไัยสังง่งยาบุพภากรรมมพระโมกคันลานพระสาวกพันปลายสายบันยายคอเหตานินดอกุยมอ ละฉันสิขอเก้าเน่นปฐมภาคสามเนี้อจานะเป็นมันดานายมานุบบอกลูกชายได้หมายเพิ่งเนนะย้ำเมื่อถึงคราวเสารปันไฟเผาย่างจุดจีละเสือว่าตาที่เคยดีกลับมาบดจอดจอยลดใจน้อยอ่อนนะไทย ลาเพื่นนบาทุกงยากให้อาการครบสามสิบสองนะลาตามีมองหัวมีฟังคันปากดังกะมีไว้สิ่งใดใดที่บกบพองกะพอทนไปตามบางลาเดียวนี้มองบ่เห็นทางมีแต่เมื่อคันแปนดด้านโลดเสนเอซอมนะเก้ามานู เกี้ยวเทเรือแม่มีมือกะจริงหน้าแม่มีแคนมีขาอันนี้กะจริงอยู่นะล่าแต่ว่าแเล้ยวผ้าเบืองดูคือสองตานั้นบอดสินื้แม่นมีได้ซ้ำบ่มี ลายนมสีลุกออกจากเท้าใสเพิ่งเอาเมื่อค่ำต่ำเสาหือนพ่องเต็กพองยงียบกระถุนพ่องส้นแก้วนะลาเนวว่าตาบอดีนี้ยาสู้สีหายให่แม่เดือคำเดินอันกายนับมือแก่คิงบ่อแข็งแข่งกะบเต่บัดกินเข่าได้คอยค้ำ ลาถวยได้ปนถวยได้เจ้าเหจับมือน้อแม่จำยาทัเครียดใจสวนลาบุเจ้าเพียรมันดาสิซอยสูจนให้เหลือใจเด่นอนแล้วไกลลาสงสันตโบคือมู บ่ไดมองเล้วกะทอมนะลามีแต่หายล้วงกะห้องพ่อไดเป็นความทุกข์ลาพ้นลบายความสุขแต่ลาเข้าบัดย่ำกลุ่มนี่นะลาคิดเห็นขาวน่หลังพุ่นละย เสีไปใส่มาใส่คือบโบได้เดือดร้อนเพาหาหาาิ่นผาเห่ากะเสื่อใจนะและเดี๋ยวนี้ทำโบไดบ้บ้านเพิ่นมวลตัวเป็นถูกบ้านเพิ่นสศกตัวปวดเงาเงาโอลาโยคือบ้านะนี่ละนละโบลั่นแจงแหงแท่งดูแหงหูวซอดว่าเหือลมบาดจอด ตาบอยขั้นแก่เทารวดจริงเทวาอีเล่จังว่าทุกมือนี่เพราว่าอยู่รอวันตายเดือยนืน้ะ ลานายสังขานายนชีเวททังคิดหลายอย่งใจโอยจังแม่นกรรมน้อของข่อยเวียนยังน้อแต่สะอาดก่อนนะลาจ้างได้ทุกน้อเดือดโอนอหุนหอนอังกระจยนะเอบังจบภาคใบบรนความศพยายฉลา โตัวโลนิ้วมันดาบนลากกรรเส้นโซนิงงจังว่าคิงเอ้ยนอนโอว่าขิงใบแห่งฝนตกมายังออกนอหางกินตาเอ้ยโนนน้าตาห้ามยั่วโซมอร์บอไม่เป็น นบเอ้ยคำาเจ้าบกเมือนี่หอดเมื่ออื่นอย่าลืมเลื่อนได้ลูกหลาด้อให้เจ้าเพี้ยนมานด่าไปอย่างสันใดหทุ่นไหอย่าถิ่นยาป๋าไม่ได้ลูกหลาด้อข้าเทงนี่ยการสีได้เทศ โบต้องมีวารเพื่อนปลาสิีปลาสัทไทยอ้สันเรื่องเพศสัตนะัน เปียบเหมือนตะเกียงท้องที่ส่งแส แล้วกาขอกาบปม อ, อ้อปองผู้ไทยหลานสี่บันหลายยายเสียงให้ดู พวกนิ่มปัวเปิ่อนในแม่หองน่นนะแ ม, ม่เมลเแม่แม็นว่าแสนลมปากหรือว่าลอยหมือนโลกทายัางขาดความสะอาเป็นอาบาดเจ็นตนบต้นแม็นบุญฝ้ายกาเสียลินขาดสัตสินเส้นข้ามมันเ่บอกมีวัน เกื่อรักษาความชมผิดรักษาทิ่ไว้สัญญาให้เมพาคูนีน่ะเจ้าย่าิดวบาวนขอให้อุ่นกาใจใหม่ลูกมีนอหมอทั้ตายเจ้าย่าไปหวัน่นชีพบาสีหวังพันมากเวีน วางใจบ่ลืมลายดอกเมียอืม้มถึงว่าลูกนี่สิตายห้างวิญญาณลูกซอยได้สิขอศอกปลาพำพิษ น, นิ่มตาบดไลูกยังบ่เมียนบ่ย่องเปี้ยนกะใจมางขอวางโตเป็นท่อเพิ่นให้แม่ร้องในห้องเทา ถวยได้อ๋อถวยได้โบนบบให้ยากเมตุนแนวได้ได้ลูกสี่อนบวชเครื่องห่อนดอกหอมีหนาเมลียังลูกตังแตจกีเสลิมบากจักเพียงใดหมดยุงห้บโบให้ตออคอย ลมพดซางเลือกความหัวของเจ้าของแล้วก้าหลงไปชิดอาล์ล่วขอตั้งปานิธานในดวงใจยังแน่วแน่กว่าวเวืองลีกนี้น่ะบอให้ไผได้เก้าวสี่ว่าเลี้ยงเมียบอป็ิธรรม สี่ขอกำมบะวางมือนอกจากตาตสลายล่างทางไดมีหลมเกิดอีกนำต่อบอ่ขอยางสี่ขอเดินตามทางมาตูคขุนเทียดเสเร็จเบอร์ให้ถึงเท่าก้าอนมานย็บมาลูข้วังหวดวลาย งสีเสีอมันดาเจ้าโฮแมย่ามีเหงาเศร้าจงเป่าใจได้ทุกสิ่งขอเป็นหลักให้แม่เพียงขอเป็นห่มให้แม่กังเพื่อบังเบื้องแดดบ่หมนิมนนา แม่สิทุกอยากล่นหรือลำบากจนตาดอดบ่ได้นอนเป็นผีปี่ยอนขำเพี้ยนมาได้เจ้าาป่านนดกะตามแล้วขอสาบานสิสู่โต้ ล่ะครับพุ่นแม่เ้ยเจ้ายาเะไปคิดอย่างไยแม่เมนว่าโลกสิตายเป็นผีกะซากลูกกะสีน้ำมาเดียกมาดูแม่อยู่หันลับแม่เจ้าบอจังสันแม่กะดีใจร้ายลูกล่เพิ่นวาสุขาชิตเพิ่นวาไว้จังสีที่ลูกข้ามเพิ่นวาจังดล่ะแม่เพิ่นวาความกะตันยูเป็นใบเบิกทางขึ้นสู่ที่สูงเพิ่นวา ฉันว่าใบฉันนั้นเจ้ากับเอาตัวหนีไปปฏิบัติได้อลูกล่าเด้อเจ้าจะขึ้นอย่างหลา ย, ด ย, ยเด้อแม่เด้อฉันนั้นแ ม, ม่กะดีนนใจหลายแม่กะฝากชีวิต น, วน้เจ่อนหลุกลาเมื่อผู้มันเป็นบารดาได้ฝากชีวิตกับลูกชายแล้วและได้รับคํายืนยันจากลูกของตนแล้วทั้งสองแม่ลูกก็อยู่ด้วยกานความสุขสําราญก็มีนักาละครนานเอาละแม่ใหญ่เออตกมาในาตอนนี้ นายมาโนบ์นี่ก็ได้ให้ข้า ม, มันสัญญากระพูกเป็นเมยของเจ้าของว่าสี่บอถิบบอป่าเมยแต่ว่าจำค่ำหนึ่งได้อยู่ได้ไงอีเมย์แล้วว่ามานบเ อ, อ้ยเจ้าปอย่างใจเมียมานอนส่วนบอน่อน้ำบ่อว่าสันึ้นไปขึ้นมากก็ยังได้ยืนดอกเมียหันกระไดแต่ว่าเมื่อนี่สิไปหาเหรียญผู้แสบผู้สาวเบิรงก่อนนะหาได้เมียมานอนส่วนบ่อนก็นจะอีเมย์ล่ววาว่า